ให้สาธุรชนพุทธบริษัทได้หยุดภา ร, รกิจการงานต่างๆการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อที่จะได้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ทำข้อสอบของชีวิตพวกเราทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้จะต้องเจอข้อสอบของชีวิตด้วยกันทุกคน ข้อสอบของชีวิตคืออะไรก็คือความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายและความพัดพรากจากกันที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างแสนสาหัสที่เราสามารถที่จะกำจัดความทุกข์เหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าเรามีเวลามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันเพราะการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็เพื่อกำจัดความทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายและความพัดพรากจากกันนั่นเองถ้าเราไม่มีเวลาให้กับการศึกษา ให้กับการปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่สามารถกําจัดความทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาคจากกันได้นี่คือความสำคัญของวันพระวันธรรมสวรนระแปลว่าวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรม สถานที่แห่งนี้เราก็จะมีการฟังธรรมและมีการปฏิบัติธรรมแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันช่วงสาสบนาทีแรกก็จะเป็นการฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้วิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเมื่อได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมา ก็คือความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดใจก็จะอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่อย่างไรก็ตามถ้าใจได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะสามารถกำจัดความทุกข์เหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ วันพระจึงเป็นวันที่เราเรียกว่าเป็นวันทาข้อสอบหรือเตรียมตัวทำข้อสอบของชีวิตนี่เองทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากกันไปไม่ได้แล้วผลก็คือมักจะเกิดความทุกข์ใจ เวลาเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่เหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่อย่างใดเหตุที่ทําให้ใจเกิดความทุกข์นี้เก <c oughs> ิดจากความอยากของใจเองใจไปอยากให้ไม่แก่อยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพรากจากการนี้ต่างหา ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้เป็นสาเหตุที่เราสามารถที่จะระ ง, งับหรือกำจัดมันไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ถ้าเราสามารถกาจัดระ ง, งับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพรากจากกันได้เวลาเกิดความแก่ความเจ็บความตาย เกิดการพัดพากจากกันใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจเพราะเหตุที่ทำให้ทุกข์ใจนั้นได้ถูกกำจัดด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองและวันพระนี้ยึงเป็นวันที่เหมาะกับการที่เราจะได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมกัน เพราะว่าวันอื่นเราจาเป็นที่จะต้องไปทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองดูแลชีวิตคือร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขเราจึงต้องมีการแบ่งเวลาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายและให้เวลากับการมาศึกษามาปฏิบัติธรรม เพื่อมากำจัดความทุกข์ใจเพื่อมาทำข้อสอบของชีวิตให้ผ่านไปได้อย่างสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพัดพลาจากกันนี่คือวันพระซึ่งในสมัยนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายตรงที่ว่า วันพระเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นวันหยุดทำงานเสียแล้วเพราะว่าสมัยนี้เราอยู่กับโลกที่มีการติดต่อกับนานาประเทศซึ่งส่วนใหญ่ประเทศส่วนใหญ่เขาก็จะหยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์กันเราก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดทำงานจากที่เคยเป็นวันพระ มาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์จึงทำให้เวลาที่เป็นวันพระเราก็ไม่สามารถที่จะมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรมได้เพราะเราต้องไปทำงานทำการดังนั้นการที่เราจะทำให้เราไม่สูญเสียวันพระไปเราก็ควรที่จะเปลี่ยน วันพระของเราให้ไปตรงกับวันหยุดของเราแทนเช่นถ้าเราหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็กำหนดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระขึ้นมาแทนวันพระที่เคยกำหนดไว้ตามปฏิทินทางจันทรคติที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณกาล เรื่องเดียนี้มันไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของชีวิตของพวกเราแล้ววันหยุดทำงานของเราเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไม่ใช่เป็นวันพระเหมือนเมื่ออดีตการที่ผ่านมาดัางนั้นเพื่อรักษาวันพระให้มีอยู่กับเราเพื่อที่เราจะได้มีเวลาให้กับการมาวัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกัน เราก็ควรที่จะกําหนดวันพระให้มันตรงกับวันที่เราหยุดทำงานเพราะความหมายของวันพระที่แท้จริงก็คือเป็นวันหยุดทำงานเพื่อที่สาธุชนพุทธบริษัทจะได้มีเวลาให้กับการมาวัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรมนั่นเองเช่นวันนี้เป็นวันพุธซึ่งส่วนใหญ่ ก็ต้องไปทำงานกันยกเว้นท่านที่มีกิจการส่วนตัวหรือท่านที่กเกษียณอายุแล้วไม่ต้องไปทำงานทำการแล้วถึงจะสามารถมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อทำข้อสอบของชีวิตให้ผ่านไปได้อย่างสบาย ถ้าเราไม่มีเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติเวลาที่เราเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตายเจอกับ ก, บการพลาดลาดจากกาันใจของเรานี่จะวุ่นวายขึ้นมาทันทีจะวิตกหวาดกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่รู้จะทำใจอย่างไร เรไม่ได้ศึกษาไม่ได้ซ้อมเตรียมตัวเอาไว้ก่อนนั่นเองถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนกับไม่ไม่ฝึกซ้อมกับเทรนเนอร์เลยไม่ฝึกซ้อมกับโค้ชมวแต่ไปเที่ยวไปหาความสุขจากการไปกินไปดื่มไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่เข้าค่ายฝึกซ้อมวิธีชกกับคู่ต่อสู้จากโค้ชจากเทรนเนอร์ พอถึงเวลาขึ้นเวทีก็ถูกน็อกเลยเพราะว่าไม่ได้ฝึกซ้อมมาก่อนนั่นเองเช่นใดโรคเราเวลาที่เราเจอกับความแก่ก็ดีเจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีโดยเฉพาะโรคภัยที่ร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งเป็นต้นสมัยนี้มีคนเป็นโรคมะเร็งกันเยอะพอดูข่าวว่าเป็นโรคมะเร็งนี้ใจแทบจะหายไป ตกลงไปอยู่ที่เท้าความตกใจกลัวขึ้นมานี่แสดงว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติ mm hmm. ใจจะนิ่งเฉย mm hmm. จะไม่ตกใจจะไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวเพราะใจได้รับการเสริมได้รับการซอก ทักซ้อมด้การฝึกฝนอบรมให้แยกใจออกจากร่างกายได้ให้รู้ว่าใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนกันเป็นคนสองคนที่มาทําหน้าที่ร่วมกันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจใช้ร่างกายไปทําอะไรต่างๆตามความอยากของใจ ซึ่งความอยากของใจก็คือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะที่เราเรียกว่ากามคุณห้ากามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะหรือเครื่องสัมผัสต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจของทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ให้ ให้แสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์อยู่เรื่อยๆและการที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ได้ก็จําเป็นจะต้องมีร่างกายเพราะร่างกายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีมีส่วนที่สัมผัสรับกับสัมผัสต่างๆได้นั่นเองถ้าใจไม่มีร่างกายใจก็จะไม่สามารถ เห็นรูปได้ได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ่มลดหรือสัมผัสกับของที่เข้ามากระทบที่ร่างกายได้ใจจึงต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วพอไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือก็เลยติดพันกับร่างกายเพราะว่าจําเป็นจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงที่สมบูรณ์ ที่จะคอยทำหน้าที่รับใช้ตัณหาความอยากของใจคือกามตัณหาความอยากจะเสดลูปเสียงกลจ่นลดปวดสะพาที่ไม่มีความรู้จักที่ไม่มีความอิ่มไม่มีความพอกามาตัณหานี่ยพระเจ้าทรงตัดว่ามันเป็นเหมือนมันกว้างใหญ่ไพศาล ย, ยิ่งกว่ามหาสมุทรในโลกนี้ พอมหาสมุทรนี้ถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็มีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่งได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องหามาอยู่เรื่อยๆตอบเพื่อตอบสนองตันหาความอยากนี่คือปัญหาถ้าทำตามความอยากแล้ว ความอยากมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าตัญหาความอยากนี้เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะว่าเมื่อมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพก็จําเป็นต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเมื่อมีความ ต้องการให้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพื่อตอบสนองตันหาความอยากของใจใจก็เลยเกิดความอยากให้ร่างกายนี้ให้อยู่ไปนานๆไม่อยากให้ร่างกายนี้แก่ไม่อยากให้ร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่ง า, า, ากรงกายนี้ตายไป <ừ> พอเวลาเกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายขึ้นมา ใจก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาความจริงแล้วความแก่ความเจ็บความตายนี้ไม่ได้ทำให้ใจทุกข์หรอกแต่ตัวที่ทำให้ใจทุกข์ก็คือความอยากของใจนั่นเองที่อยากให้ร่างกายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะโดยธรรมชาติของร่างกายของทุกคนนี้อยู่ภายใต้กฎของตายลัก คืออนนีจังทุกขังอนัตตานั่งกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดมาแล้วก็เจริญเติบโตแล้วต่อไปพอเจริญเติบโตเต็มที่ก็เริ่มเข้าสู่วัยชราเข้าสู่ความแก่แล้วก็ต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วในที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตาย นี่คือกฎอนิจจังไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนถาวรมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าไปอยากให้มันไม่ไม่ดับไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายก็จะต้องทุกทรมานใจขึ้นมาเพราะจะไม่ได้ดังใจอยากนั่นเองเพราะร่างกายเป็นอนัตตามันไม่อยู่ภายใต้ความ ควบคุมความต้องการความอยากของใจจะอยากให้มันไม่แก่ก็ห้ามมันไม่ให้มันไม่แก่ไม่ได้เพราะมันอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติร่างกายนี้อยู่ภายใต้กฎของดินดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันชั่วคราวแล้ววันหนึ่งถ้าทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟก็จะต้องมีการแยกตัวออกจากกาันไปพอเริ่มมีการแยกตัวออกกันออกจากกัน ร่างกายก็เจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็เจอกับความตายนี่แหละคือปัญหาของใจที่ไปหลงหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสผุดธพาชนิดต่างๆเมื่อต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ร่างกายนี้มันไม่ได้เป็น เครื่องมือที่ยั่งยืนถาวรมันเป็นของชั่วคราวอยู่ได้ไม่เกินแปดสิบปีร้อยปีมันก็ต้องถึงแก่ความตายและก่อนจะถึงความตายก็ต้องอยู่กับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยไปซึ่งเป็นช่วงที่ทําให้ใจนี้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้ากันขึ้นมาเพราะไม่สามารถใช้ร่างกาย ไปตอบสนองตันหาความอยากของใจได้นั่นเองพอความอยากของใจไม่ได้สิ่งที่ใจอยากได้ใจก็เลยเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาโดยอาการซึมเศร้าขึ้นมาตามลาดับ น, นี่แหละคือข้อสอบของชีวิตของพวกเราที่ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้สาเหตุ ข, ของความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ต่างๆ เวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายนี้เราก็จะไม่มีวันรู้วิธีของการกาจัดความทุกข์เหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากใจได้แต่พวกนี้ชาตินี้พวกเราถือว่าเป็นพวกที่มีโชควาสนาะได้มาเจอคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรามาลากความอยากกันมาหยุดกันหาความสุข ผ่านทางร่างกายกันเพราะว่ามันเป็นความสุขที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ในวันข้างหน้าเวลาที่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความความอยากของใจได้โดยการให้มาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันยังมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถหาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายและเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุข ที่เราจะได้ผ่านทางร่างกายนั่นก็คือความสุขที่เรียกว่าสันติสุขความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบให้นิ่งเวลาใจนิ่งใจสงบแล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี ความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่ที่เหนือความสุขทั้งปวงถ้าเราหาความสุขได้จากการทำใจให้สงบเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสะพ้าต่อไปอพอเราไม่ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็จะไม่มีความผูกพันเหมือนตอนที่เราต้องใช้ร่างกาย ร่างกายจะแก่ไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายก็ไม่เป็นปัญหากับใจต่อไปเพราะใจไม่ต้องพึ่งพาร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอีกแล้วถ้าเราสามารถหาความสุขจากการทําใจให้สงบให้นิ่งได้นี่แหละคือวิธีแก้ปัญหาวิธีทําข้อสอบของชีวิต คือเวลาที่เราเจะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกับความตายเจอกับการทัดพ้างจากกันเราสามารถที่จะไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจได้ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการหาความสุขโดยไม่ไปพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข ให้มาเพิ่งทาที่จะทำใจให้สงบทาที่จะทาให้ใจให้สงบนี้ก็มีอยู่สองขั้นด้วยกันที่เราเรียกว่าสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาการทำใจให้สงบเรียกว่าสมถะภาวนาการสอนใจให้ฉลาดเรียกว่าวิปัสนาภาวนาหรือถ้า พูดอีกแนวหนึ่งก็คือสมถะภาวนาก็คือการฝึกใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าสมาธินั่นเองคือการทำสมาธินี้เป็นการทำให้ใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแบบชั่วคราวไปก่อนพอเราสามารถที่จะ หยุดความอยากที่จะไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเราสามารถหาความสุขจากการเข้าสมาธิได้ใจเราก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายในขณะที่ใจอยู่ในสมาธิแต่เวลาที่ใจออกมาจากสมาธินี้ความอยากที่อยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข ก็ยังจะโผล่ขึ้นมาได้อยู่เพราะการเข้าสมาธินี้ไม่สามารถที่จะไปกําจัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนี้ได้อย่างถาวรเพียงแต่หยุดความอยากได้แบบชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาความอยากที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผ่านทางร่างกาย ก็จะผล่ขึ้นมาใหม่แล้วถ้าเราไม่สามารถกำจัดมันได้หยุดมันได้มันก็จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ต่อไปแต่ถ้าเรารู้วิธีกำจัดความอยากเวลาที่เราไม่ได้เข้าสมาธิเวลาที่เราอยู่ อ, อ, อยู่อยู่ในสภาพปกติอย่างเช่นตอนนี้แล้วเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญา คือคาําำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเห็นว่าการทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์ต่อไปเพราะความอยากนี้ได้เท่าไหร่ไม่อิ่มไม่พอแต่สิ่งที่เราได้มาและเครื่องมือคือร่างกายนี้มันเป็นของชั่วคราววันใดวันหนึ่งร่างกายก็ต้องไม่สามารถที่จะทำตามความอยากของเราได้ พอเราไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้เราก็จะทุกข์แล้วความสิ่งที่เราอยากได้มาให้ความสุขกับเราเช่นรูปเสียง ก, งกลิ่นรสต่างๆก็เป็นสิ่งที่ให้ความสุขแบบชั่วคราวได้ให้ความสุขในขณะที่เราได้เสพได้สัมผัสกับรูปเสียง ก, งกลิ่นรสเหล่านั้นแต่พอเราจากมันไปมันจากเราไปความสุขเหล่านั้นก็จะหายไป ปล่อยให้ใจของเราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวต่อไปอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากปัญญาที่พระเจ้าสอนว่าการทําตามความอยากนี้ไม่ได้นําไปสู่ความสุขแต่นําไปสู่ความทุกข์เพราะฉะนั้นพอรู้ว่าจะต้องไปเจอกับความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราได้มาให้ความสุขกับเราไม่ช้าก็าเร็วก็จะต้องมีการ สุดลงมีการสูญเสียมีการพัดภาคจากกันไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ได้ไม่สามารถอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปแบบถาวรได้แล้วร่างกายของเราที่เป็นเครื่องมือก็ไม่สามารถทําหน้าที่ให้กับเราไปตลอดเวลาได้มันก็ต้องมีวันเสื่อมมันต้องมีวันแก่วันเจ็บวันตายของมันขึ้นมาอันนี้แหละคือการสอนใจด้วยปัญญา ให้หยุดความอยากอยากไปหาความสุขจากผ่านทางร่างกาย<ม>พอใจได้ปัญญารู้ว่าการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เป็นการไปหาความทุกข์<ม>ใจก็จะไม่กล้าอยากอีกต่อไปชู้อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความ <c oughs> นิ่งสงบของใจและใจจะนิ่งสงบได้ นอกจากวิธีเข้าสมาธิแล้ว<ม>ก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือการหยุดความอยากด้วยการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นความทุกข์ของสิ่งที่เราอยากได้<ม>พอเห็นโทษของความอยากเห็นเห็นทุกข์ของสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะไม่มีเราก็จะไม่กล้าอยากอีกต่อไปพอเราไม่อยากปั๊บใจที่เรามีความรู้สึก ขาดนู่นขาดนี่ก็จะกลายเป็นใจที่อิ่มที่นิ่งที่สงบขึ้นมาทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิแบบการใช้สติเพียงแต่หยุดความอยากได้เท่านั้นพอความอยากมันหยุดปั๊บเมื่อไหร่ใจก็จะเบาจะโล่งจะสบายขึ้นมาทันทีแล้วก็จะเป็นความโล่งความเบาความสบายแบบยั่งยืนถาวร เพราะความอยากที่เราได้ละได้ด้วยปัญญาแล้วนี้มันจะไม่กลับคืนมาอีกไม่เหมือนกับความอยากที่เราหยุดมันด้วยการเข้าสมาธินี้เราไม่สามารถที่จะกำจัดมันด้วยสมาธิได้เพียงแต่กดมันเอาไว้ชั่วคราวเป็นเหมือนหินทับหญ้าสมาธินี้เป็นเหมือนหินทับหญ้าหญ้าก็คือกิเลสหินทับกิเลส เวลาอยู่ในสมาธิกิเลสก็ไม่สามารถออกมาทำงานได้แต่พอออกจากสมาธิมาออก็เหมือนยกหินขึ้นมาออกจากญ้าที่ทับเอาไว้พอญ้าไม่มีหินทับได้ดับได้ได้น้ำได้ได้แด ด, ด, ดเดี๋ยวไ ม, ไม่มันก็โผล่ขึ้นมาใหม่งอกงามขึ้นมาใหม่ได้กิเลสที่ถูกกำลังของสมาธิกดไว้พอออกจากสมาธิกิเลสหรือตัณหาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ได้ ตอนที่ตอนที่ออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะกําจัดกิเลสตัณหาก็ต้องใช้ปัญญาโดยการวิเคราะห์ดูเวลาเกิดตัณหาความอยากใจเราจะสั่นขึ้นมาใจเราจะไม่นิ่งใจเราจะดิ้นจะรู้สึกทุกข์ทรมานที่เราต้องไปทําตามความอยากเพราะความทุกข์ทรมานของใจที่เกิดจากความอยากนี่แล้วสิ่งที่เราได้จากการไปทําตามความอยากมันก็เป็นความสุขชั่วคราว ไม่ช้าก็เร็วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากนี้จะทำให้ใจทุกข์และการไปได้สิ่งที่ความอยากต้องการก็จะทำให้ใจทุกข์อีกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องมีการสิ้นสุดลงเป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมหมดไปพอเสื่อมหมดไปมันก็จะทำให้ใจทุกข์ พอเราเห็นโทษของความอยากเห็นเห็นสิ่งที่ใจอยากได้ว่าเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้อีกต่อไปพอเรากําจัดความอยากต่างๆได้แล้วต่อไปใจเราก็จะไม่มีความหิวความอยากอีกต่อไปใจเราก็จะมีแต่ความอิ่มความพอตลอดเวลาไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอีกต่อไปเมื่อเราไม่ต้องพึ่งพาสายร่างกาย เราก็ไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับใจต่อไปนี่แหละคือวิธีที่เราจะมาศึกษามาปฏิบัติกันที่เราเรียกว่าจิตตภาวนามีแบ่งเป็นสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าส ม, มถาภาวนาคือการทำสมาธิขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่าการเจริญปัญญา ถ้าเราทำสัองขั้นนี้ได้สมบูรณ์แล้วเราก็จะสามารถกําจัดความจากต่างๆที่เป็นตัวเหตุมาสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วต่อไปใจเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องของการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีในขั้นต่อไปเราจะมาฝึก เจริสตินั่งสมาธิกันเพื่อเอาสมาธินี้มากดมาทับกิเลสทับความอยากไว้ชั่วค่าวเวลาเราทำใจให้นิ่งให้สงบความอยากก็จะไม่สามารถทำงานได้ความอยากจะทำงานได้ต้องมีต้องรอเวลาที่ใจไม่นิ่งใจเริ่มมีการรับรู้เริ่มมีความคิดต่างๆเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่น พอใจคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสของคนนั้นของคนนี้ของสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ความอยากก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ mm. นี่คือ ว, วิธีขั้นแรกของการหยุดความอยากแบบชั่วคราวคือการใช้สติควบคุมความคิดให้หยุดความคิด เมื่อทำใจให้นิ่งให้สงบ <c oughs> พอใจนิ่งใจสงบแล้วความอยากก็จะหายไปชั่วคราวแล้วความรู้สึกสบายอกสบายใจความสุขใจก็จะเกิดขึ้นมาทันทีเวลาที่ใจรวมลงเป็นสมาธิ <c oughs> เวลาที่ใจสามารถสกัดกัน้นหยุดความอยากได้ชั่วคราวอันนี้เบื้องต้นเราต้องมาฝึกทำความสงบด้วยการใช้สติก่อน แล้วหลังจากนั้นเมื่อเราชำนาญแล้วขั้นต่อไปเราค่อยไปขั้นปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นทุกข์ของสิ่งที่เราอยากได้แล้วต่อไปความอยากต่างๆก็จะหมดไปจากใจตอนนี้เราจะมาทำสมาธิมาหยุดความอยากหยุดความคิดกันการที่จะทำให้ใจหยุดความคิดได้เราต้องมี สิ่งที่ผูกใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆสิ่งที่ผูกใจหรืออารมณ์ที่ผูกใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐานเวลานั่งสมาธิเราต้องมีกรรมฐานเราต้องมีอะไรผูกใจไว้คือเราต้องมีสติแล้วเลิกรู้อยู่กับกรรมฐานองค์ใดองค์หนึ่งอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเช่นการเราเลิกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นกรรมฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆได้พอเราใช้พุทโธ เรียกว่าใช้พุทธานุสติใช้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่เครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจเราก็ต้องใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปในขณะที่เรานั่งสมาธิอย่านั่งเฉยเฉยเพราะถ้านั่งเฉยเฉยเดี๋ยวใจจะลอยไปกับความคิดต่างๆแล้วก็จะเกิดความอยากเกิดความดิ้นลนจนกระทั่งทำให้รู้สึกนั่งเฉยเฉยต่อไปไม่ไหวจะต้องลุกขึ้นไปทาอะไรตามความอยาก แต่ถ้าเรามีอะไรผูกใจเอาไว้ดึงใจเอาไว้เช่นมีพุทธโธพุทธโธพุทธโธดึงใจเอาไว้ความอยากก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ใจก็จะนิ่งเฉยได้แล้ถ้าสามารถผูกใจให้อยู่กับพุทธโธได้นานใจก็จะรวมเป็นสมาธิเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ได้การนั่งสมาธิจึงจำเป็นจะต้องมีกรรมฐาน เครื่องผูกใจแบบใดแบบหนึ่งธรรมทานนี้มีหลากหลายชนิดด้วยกันแต่ที่เราใช้กันทั่วไปก็คือพุทธานุสติให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธและการที่เราจะสามารถใช้พุทธโธมาควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดได้เราต้องฝึกสติก่อนที่เรามานั่งด้วยไม่ใช่จะมานั่งมาฝึกสติตอนที่เรานั่งเท่านั้น เพราะมันจะมีกำลังไม่มากพอที่จะไปหยุดความคิดได้เราต้องฝึกสติทั้งวันเลยเช่นวันนี้เป็นวันพระพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ตื่นมากับพุโทโธเลยพอพพอตื่นืมตาขึ้นมาได้ก็จเจริญสติพุโทโธพุธโทโธไปไม่ว่าเราจะทำภารกิจอะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พุโทโธพุธโทโธคอยสกัดกั้นความคิดอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าเราฝึกสติมาก่อนที่เวลาก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเวลามานั่งสมาธิมันก็จะมีกำลังที่จะสามารถสกัดกั้นความคิดต่างๆได้สามารถทำให้ใจนิ่งสงบได้อย่างรวดเร็วดังนั้นถ้าต้องการจะนั่งสมาธิได้ผลดีเราก็ต้องมีการเจริญสติมาล่วงหน้าก่อนถ้าไม่เจริญมาเวลามาเจริญสติตอนที่เรานั่งนี่ มันจะไม่มีกำลังพอที่จะสั่งการกั้นความคิดความคิดจะจะคิดเพราะมันมีกำลังแรงมากแต่ก็ยังดีถ้าเรานั่งแล้วเราก็ต้องพยายามสู้กับมันไปพยายามให้มีกรรมฐานถูกใจเอาไว้ถ้าใช้พุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปบางท่านก็จะใช้ลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอาณาปณะสติก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูก ให้ดูอยู่ที่ปลายจมูกเวลาลมเข้าลมมันจะสัมผัสที่ปลายจมูกเราก็จะรู้ว่าลมเข้าลมออกเราก็จะรู้ว่ามันออกแต่เราไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาให้เราจ่ออยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับลมหายใจให้หายใจลึกหรือหายใจยาวปล่อยให้ลมหายใจไปตามตามธรรมชาติของเขาเราไม่เราไม่ได้ต้องการมาควบคุมบังคับลม เราเพียงต้องการใช้ลมเป็นที่ผูกใจเพื่อไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆท่านั้นเอง mm hmm. นี่ก็คือวิธีนั่งสมาธิสำหรับคนบางคนเขาใช้พุทโธบางคนก็ใช้การดูลมหายใจบางคนยังใช้ลมไม่ได้ใช้พุทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์ไปจนกว่าจะรู้สึกใจมีกำลังพอที่จะมาดูลมได้ก็ค่อยกลับมาดูลมหรือพอที่จะมาอยู่กับพุทโธ ได้ก็อยู่กับพุทโธไปบางคนก็ใช้พุทโธคู่คู่ไปกับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้ก็สําคัญเวลานั่งสมาธิต้องมีอะไรให้ใจดึงใจผูกใจไว้ไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆแล้วถ้ามีอะไรมากระทบกับใจมาให้ใจสัมผัสรับรู้เช่นเสียงก็ดีรูปก็ดีหรืออะไรก็ดี ที่ยามะโผก็ในขณะที่นั่งสมาธิก็ไม่ต้องไปสนใจให้ดึงใจกลับมาอยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้ใจสงบใจต้องกอะติดอยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวอย่าไปตามรู้อย่างอื่นมีแสงปรากฏให้เห็นก็อย่าตามไปรู้มีเสียงปรากฏให้ได้ยินก็อย่าตามเสียงนั้นไปให้ดึงใจกลับมาอยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆแล้วไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ อ น, นี้ก็คือวิธีการนั่งสมาธิที่เราจะมานั่งกันต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาประมาณยี่สิบกว่านาทีตอนนี้เวลานั่งสมาธิก็หมดลงแล้วตอนที่จะเลิกก็ขอให้สังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งแล้วสงบดีหรือไม่ถ้าสงบดีก็สังเกตวิธีนั่งว่านั่งอย่างไร เราจจำวิธีนี้เอาไว้คราวหน้าเราก็ใช้วิธีนี้ต่อได้เลยอย่าอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยากมันจะสงบด้วยวิธีนั่งที่ถูกต้องถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยก็ขอให้เราไปฝึกสติให้มากๆขึ้นในระหว่างวันสามารถเจริญพุทธานุสติคือพุทโธได้ทั้งวันเลยพอนึกถึงพุทโธเมื่อไหร่รก็พุทโธพุทโธไป ก็ต่อไป ส, สติของเราก็จะมีกำลังมากขึ้นและเวลานั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นก็ต่อไป น, นี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราป ร, ปริกปุรเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกะปะตอิชิตังปะทิตังตุมหังคือเะเมวะสมิจโต สัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตราโยสุขีตีขายุโกภวะ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 เป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกต่อการถามตอบเพราะถ้าเลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออาภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กา ร, ปรเปลี่ยนพ้าจานวันนี้มีผู้รับฟังธรรมากุติทางเ a c บุ๊ o สา8รอแปดสิบท่าน ทางยูทูบพระอาจารย์สองปท่านทางด็อกเตอร์วีชาแนลสิสาท่านทางวิทยุออนไลน์9ท่านครับเ้าสี่ท่านนาุติหนึ่งร้ายห้าสิ1แ8ดท่านรวมทั้งหมดเป็นแ8ด้อยแปดสิบสามท่านเจ้าค่ะมีท่านหนึ่งอ ย, า, อยากจะถามคงถามเข้ามาอยาถามไหมเนี่ย เ, เข้ามาตรงนี้ก็ได้ กาบสวัสดีค่ะพระอาจารย์คือหนูปฏิบัติมาก็นานแล้วเหมือนกันประมาณเจ็ดปีอะค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่นั่งสมาธิก็รู้สึกสงบดีค่ะแต่ว่ายังมีความรู้สึกว่ายังกลัวตายอยู่เลยค่ะอย่างเช่นได้ยินข่าวเครื่องบินตกอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะคิดว่าถ้าหนูอยู่บนเครื่องบินลำนั้น แล้วหนูจะต้องตายแบบโดนไฟเผาแล้วร้อนมีทุกเขเวทนามากๆอย่างนี้หนูทนไม่ได้แน่ๆหนูคงตกนรกอย่างนี้ค่ะนล้หนูก็จะกลัวมากว่าหนูจะไปนรกหรือเปล่าหนูควรจะต้องจัดการความรู้สึกของหนูยังไงดีอะค่ะเวลาที่มันเป็นแบบเนี้ยค่ะคือเบื้องต้นต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราตายนี่เราจะไปสวรรค์หรือไปนรกนี้ไม่ได้อยู่กับวิธีตายของเรา เหตุที่จะพายเราไปสวรรค์ก็คือถ้าเราทําบุญไว้มากกว่าทาบาปเราก็จะไปสวรรค์คือแม้เวลาเวลาเราตายเราอาจจะทุกข์ทรมานเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่อยากพบก็ได้แต่เวลาตายไปแล้วนี่มันไม่มันจะอยู่ที่บุญหรือบาปที่จะดึงใจเราไปถ้าเราทําบุญไว้มากกว่าบาปบุญก็จะดึงไปสวรรค์ถ้าบาป ไว้มากก็ทำบาวไว้มากกับบุญบาวก็วจะดึงไปลายบาลไปนรกได้อันนี้คือความเข้าใจที่ถูกตั้งเลส่วนเวลาวิธีตายนี่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะตายอย่างสงบตายอย่างสบายถ้าเราไม่มีเราก็จะตายอย่างทุกข์ทรมานยงั้นเราก็ต้องมาฝึกตอนนี้เราก็ฝึกสมาธิได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่นิ่งพอยังไม่เข้าถึงจุดที่เรียกว่าอุเบกขา ก็พยายามหมันเจริญสติในระหว่างวันแล้วพยายามนั่งให้บ่อยขึ้นถ้าวันหนึ่งจิตเราก็จะรวมเป็นสมาธิได้ถ้าจิตรวมเป็นสมาธิแล้วตอนอยู่ในสมาธิจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายแต่ถ้าออกจากสมาธิมานี้เราก็ต้องมาใช้ปัญญาสองใจแยกใจให้ออกไม่ให้ไม่ให้ไปเป็นร่างกายสอนใจว่าใจนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้คิดส่วนร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟ ที่ใจใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆดังนั้นเราต้องแยกใจออกจากร่างกายโดยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายวันหนึ่งมันจะต้องมีการสิ้นสุดลงเราต้องปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปอยากความทุกข์เกิดจากความอยากของเราอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นส่วนความเจ็บเราก็ฝึกได้เวลานั่งสมาธิาแล้วเจ็บเราก็อย่าพึ่งลุกอย่าพึ่งขยับพยายามใช้สติ คอยควบคุมใจให้นิ่งให้สงบให้วางเฉยแล้วต่อไปร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเป็นอะไรใจเราก็จะสามารถอยู่กับความเจ็บนั้นได้ถ้ากลัวเรื่องร่างกายถูกไฟเผาก็เวลานั่งสมาธิแล้วเวลาเกิดอาการเจ็บขึ้นมาก็กําหนดอาการเจ็บนั้นเป็นเหมือนก้อนไฟเผาร่างกายเราไปก็ได้นะกําหนดนั้นแล้วให้มัน นุกเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นก้อนไฟใหญ่ๆ mm hmm. เขาจนร่างกายเราท่วมตัวตัวร่างกายของเราจนกระทั่งร่างกายนี้กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปอันนี้เราต้องใช้จินตนาการเวลานั่งแล้วใจใจเราก็จะเฉยกับความความตายความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายได้ mm hmm. เพราะเราแยกใจออกจากร่างกายใจเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกาย ตอนนี้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยกลัวเราก็เลยแต่พอเราแยกใจออกว่าเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูร่างกายเร า, เราเราเผาร่างกายด้วยการเอาความเจ็บนั้นมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนกับเป็นไฟแล้วเราก็กินนาการให้ไฟนี้มันลุกท่วมท่วมตัวร่างกายเผาร่างกายเป็นยังร้างกายเป็นที่เท่าที่ถานล้มฟุบลงไปกับดินลองทําดู เราจะรู้สึกสบายใจเ mm hmm. ย็ยนใจสบายใจเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายพอ mm hmm. จะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะต้องทำหลายๆรอบเลยใช่ไหมคะก็ต้องทำบ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันชำนาญจนกระทั่งมันไม่รู้สึกกลัวแล้วมันรู้แล้วว่าเราไม่ได้เป็นร่างกาย mm hmm. เราปล่อยวางร่างกายแล้วเราเผาร่างกายไปเลย mm hmm. ต้องฝึกซ้อม บ, บ่อยๆ mm hmm. อย่างที่เรามาปฏิบัติวันนี้ก็เรียกมาเตรียมตัวทําข้อสอบกันเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะต้องเจอทุกขเวทนาอย่างรุนแรงแต่ถ้าเราฝึกใจสอนใจให้แยกใจออกจากร่างกายได้ให้ปล่อยวางได้ใจก็จะไม่ทุกขับร่างกายกราบขอพระคุณอาจารย์มากมากค่ะวันนี้ก็เลือกใช้พัฒนมได้เลยนะ Okay. Um, I have a question. Um, I'm g o i n g to be studying abroad for next month, so I want to ask: um, How do you uh, find peace in the world with distractions and negative emotions? you have to find something to anchor your mind with, like meditation. When you practice meditation, you you, you tie your mind to something, like watching your breath. Uh, reciting the mantra Buto Buto, so your mind can have something to to hold on to. So when you come into the situation where there are all kinds of trouble, you can use the mantra to hold your mind to become still and not be affected by what's going on around you. But so you need to practice mindfulness and meditation as much as possible. The more you practice, the stronger your mind will be, so that you will not be disturbed by what's going on around you. But so you need something to anchor your mind. Usually, we use b u t t o b u t t o b u t t o When we come across a situation where the mind is restless, agitated, or disturbed, just keep reciting b u t t o b u t t o b u t t o Don't pay attention to what's going on around you. Leave them alone. You cannot control them. The world is like this. We cannot change or control them when they happen, but we can control our mind to be still and not to be disturbed by reciting the mantra Bhuto Bhuto Bhuto. Okay. Anything else? No. Thank you so much, Kam. Yeah. And another, another way also that can help is you have to accept the what's going on around you is beyond your control. Don't try to change, or don't try to uh, get rid of them, stop them, because you cannot. They are like the weather. Try to learn to live with them, like accepting the weather. When it's raining, let it rain. When it's shining, let it shine. You cannot change things like this. It's beyond your control. If you try to change, you can get restless and agitated. If you want to be calm and peaceful, just accepting as they are. Okay, just tell yourself that's the way it is. This is the way it is, and it's beyond your your control. You cannot do anything about it. So just use mantra Bhuto Bhuto to keep your mind still. Okay, but you have to practice Bhuto ahead of time. So try to practice Bhuto every day, whenever you can. Just keep reciting bhuto bhuto as you do things. When you don't have to use your thought s to do things with, just use mantra bhuto bhuto. Like when you b a t h when you when you're taking a shower, bathing, or washing your your clothes, dressing, eating, you can use bhuto bhuto bhuto to keep your mind to be still. Okay. t l l n u Tathagata. Kap Namaste. ถูกแุ้วพูดใกล้ปากหน่อยคับการน้ำมัน ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะขอกราบเรียนค่ะคือการที่เราทำบุญและอุทิศบุญกุศลเนี่ยให้กับคุณพ่อคุณแม่และญาติที่ล่วงลับไปแล้วแล้วเราสามารถอุทิศบุญกุศลให้กับญาติของเราที่เป็นพี่ชายนะคะเป็นพระนะคะได้ไหมคะ ที่ตายไปแล้วหรือยังค่ะมรณะอัปไปแล้วใช่แล้วอุทิศท่านได้กับทุกคนเลยกล้เช่ใช่คะึงจะว่าถ้าอุทิศหลายคนมันก็ต้องแบ่งกันแบ่งกันใช่ถาอุทิศคนเดียวเขาก็ได้หมดเลยแล้วถ้าปกติอ่ะก็จะอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรได้ใช่ไหมค่ะได้จะอุทิศใครก็ได้แต่อยู่ที่ว่าเขาจะรับได้หรือไม่ต่างหากค่ะแล้วแต่สภาพฐานะจิตใจเขาค่ะท่าะอาจารย์เคยเอ แต่ก็ให้ก็ให้สามารถรู้ทิ้งได้ได้ค่ะเคยให้ปัญญากับลูกแล้วว่าแล้วแต่ว่าเขาจะได้รับไหมหรือรอรับหรือเปล่าแล้วก็ทําเผื่อไว้ก็แล้วกันค่ะเผื่อถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับค่ะแล้วเราให้กับสราสันได้ใช่ไหมคะได้ให้หมดได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเราหรือว่าคนรู้จักเราไม่ได้ใช่ไหมคะได้ได้ทุกคนเลยได้ทุกคนรู้จักหรืไม่รู้จักค่ะเป็นศัตรูหรือเป็นนินี่เราทิ้งให้ได้หมดทุกคนได้หมดเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ กับกับกับขบพระคุณเจ้าค่ะให้ปัญญาลูกเจ้าค่ะมนอะอรน ะ, ะคำถามนึงคุณพี่เขาพูดเรื่องการอ่าอุทิศบุญส่วนกุศล น, นะคะทีนี้เวลาที่หนูจะอยากอุทิศส่วนกุศล น, นะคะบางทีความรู้สึกหนูคือบุญหนูอะ่ะยังน้อยหนูสมมติว่าหนูทําแบบนี้ได้ไหมคะหนูนึกถึงพระที่หนูเคารพว่าขอบารมี สมุนนะค ะ, อะขอบารามีพระอาจารสุชาติอย่างนี้แล้วก็แผ่ให้กับสัมภเวสีผีอย่างนี้ได้ไหมคะเพราะหนูรู้สึกว่าบุญหนูที่หนูมีเนี่ยมันน้อยอย่างไงได้ไหมคะพระอาจาย์คือบุญที่เราทํานี่น้อยมากอยู่ที่เราทํามากเราทำน้อยถ้าเรารู้สึกว่าทําน้อยลองทําทําเพิ่มขึ้นให้มากขึ้นเราไม่สามารถใช้การอธิษฐานขอว่ า, อามีอางผู้อื่นเพิ่มบุญของเราได้เราต้องเพิ่มบุญจากการให้ของเรา เช่นถ้าเราทําบุญร้อยบาทรู้สึกวันน้อยก็ลองทํำพันบาทดูแล้วมันก็จะรู้สึกว่าเราเรามีความสุขมากขึ้นบุญนี้ก็คือความสุขใจของเราอย่างนั้นถ้าเรายิ่งยิ่งทํามากความสุขใจก็จะมากขึ้นบุญก็จะมากขึ้น<ฮ>ไม่ไม่สามารถที่จะไปทําให้บุญของเรามากขึ้นได้โดยอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้า <laughs> มันทําไม่ได้มันเป็นเรื่องของของของสิ่งที่เราต้องทําเองค่ะ งัานก็ทำตามกำลังของเราไปอย่าไปอยากอันนี้ความอยากก็เป็นกิเลสอย่าง<ะ>ทาตามกำลังของเราไปได้มากได้น้อยล้วก็ทาเต็มที่ของเราก็แล้วสิค<ะ>่ะนะค่ะกลับขอบคุณท้าพระอาจารย์<ะ>คำถามจากทาง YouTube คุณใบ ย, ยกค่ะลูกมีความเข้าใจแบบนี้เจ้าค่ะจากการที่ลูกนั่งสมาธิ จนรวมถึงอุเบกขาลูกนั่งที่หนึ่งชั่วโมงจิตดูลมแต่เวลาลมหายก็แค่รู้ว่างรู้พอออกมาลูกหมั่นบริกรรมมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก 10% เปอร์ซ็น 20% เป็น 30, ค่อยๆไปในแต่ละวันและไม่ทิ้งเจ้าค่ะแต่เวลาเผลอก็ดึงกลับมาลูกสังเกตได้ว่าปัญญาจะเกิดและปัญญาที่เกิดคือลึกมากในการมองดูผลของเรื่องนั้นจะเข้าใจไปถึงเหตุไม่สรุปตรงแค่ผลตรงนั้น พอมองเห็นเหตุใจก็จะยอมรับจึงปล่อยได้ถูกทางหรือไม่เจ้าคะถ้าปล่อยได้ก็ถูกทางดูที่ว่าเราปล่อยได้หรือเปล่าคาถามจะคุณออฟค่ะผมชอบมีอาการคันยุบยิบตามร่างกายแบบนี้ผมควรเอาจิตไปกาหนดตรงที่คันจนกว่าจะหายหรือแค่รู้ว่ามันคันแล้วกลับไปพูดโธ ต, ต่อครับก็ทำยังไงก็ได้ขอให้เรา บ่อยวางมันให้ได้ก็แล้วกันถ้าดูแล้วยิ่งคันก็อย่าไปดูมันกลับมาที่คําบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวจะดีกว่าแต่ถ้าดูแล้วสามารถทําให้อาการคันหรืออาการลำคันของเราหายได้ก็ใช้ได้แต่ยากกว่าเพราะมันเราว่าเวลาไปดูความคันแล้วมันอยากจะเกามากกว่างั้นวิธีที่จะทําให้เราไม่อยากเกากคืออย่าไปรับรู้มันดีกว่าให้มารู้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวอาการคันก็จะค่อยๆ ห่างไปจากใจถึงแม้ใจมีอยู่แต่มันก็ไม่มาลบปวนใจเราคำถามจากคุณคำพิสูจน์เวลานั่งสมาธิก่อนจิตรวมลงสู่ผวังสังเกตเห็นว่าบางครั้งจะมีนิมิตก่อนอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหะขอให้รู้ตามความเป็นจริงก็แล้วกันและอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกันทุกครั้งไปก็ได้คำถามจากคุณ ทีฆาตนาค่ะวันนี้ทําสมาธิพร้อมพระอาจารย์จิตรวมเป็นสมาธิตอนใกล้ๆหมดเวลาจะได้สมาธิทุกครั้งเป็นส่วนมากเจ้าค่ะถามว่าการทําสมาธิมามากและนานหลายๆปีแต่ยังไม่พอกับความเครียดทางโลกแสดงว่ายังทําน้อยไปใช่ไหมเจ้าคะทําวันละชั่วโมง ก, กว่าเจ้าค่ะก็ต้องทําควบคู่กับปัญญานะเวลาเราออกจากสมาธิมาก็สอนใจให้เราพิจารณาทุกอย่าง ว่าเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังไม่เที่ยงอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นไปตามเนื้องของมันมันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปมันจะดับก็ให้มันดับไปอย่าไปอยากให้มันไม่เกิดอย่าไปอยากให้มันดับให้รู้เฉยๆไปแล้วความทุกข์ความเครียดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเราต้องใช้ปัญญานะเวลาออกจากสมาธิมาสมาธินี้เป็นการสร้างพลังใจสร้างอุบเบขา เพื่อที่จะได้มาใช้กับปัญญาเพื่อปล่อยวางต่อไปแต่ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นว่าถ้าเราไปยุ่งกับมันแล้วมันจะทําให้เราทุกข์แล้วเราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าปล่อยมันดีกว่ามันจะดีก็ดีไปมันจะชั่วก็เรื่องของมันไปเห็นบางทีเราทุกข์กับลูกเราเพราะอยากให้มันดีแต่มันไม่ยอมดีทันทีปัญญาวดัชั่วอย่างเดียวเราก็ไปทุกข์กับมันแล้วไปเปลี่ยนมันไม่ได้อยู่ดีก็ปล่อยมันทุกข์ปล่อยมันชั่วไปก็หมด พอเราทำเต็มที่แล้วเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่ทำอันนี้ก็ก็ล่องตาหนิตัวเราแต่ถ้าเราทำเต็มที่แล้วสอนเขาแล้วบอกเขาแล้วเขาไม่ยินดีเขาไม่สนใจก็ช่วยไม่ได้เราก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขาปล่อยวางคำถามจากคุณอ้ําค่ะาศาสนาเรามีอายุครบห้าพันปีอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดไวจริงหรือไม่ครับพระีอริยเมตตายมีจริงหรือไม่ครับ จริงเท่านั้นน่ะสิ่งที่พระเจ้าผู้นี่เป็นสวาสขาโตพระวตาธรรมโอเป็นธรรมที่ตัดไว้ถูกต้องแล้วตามความเป็นจริงทุกประการคำถามจากคุณสุกัญญาค่ะนั่งสมาธิเมื่อสักครู่เวลามีเสียงรถทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์พร้อมเสียงสัตว์ต่างๆที่จิตรับรู้แล้วรีบกลับมาพูดโธต่อถือว่าถูกวิธีใช่ไหมเจ้าคะเพราะจิตไปเร็วมากแล้วก็กลับมาเร็วใช่คอยดึงไว้ให้ผูกใจไว้อยู่กับพูดโธไป อยากให้ใจนิ่งให้ใจสงบคำถามจากคุณปียเมศขณะที่ลูกนั่งสมาธิรู้สึกตัวว่าอยู่กับคําภาวนาแต่ร่างกายมีการสรงกทั้งที่ไม่ได้รู้สึกง่วงแสดงว่าลูกยังขาดสติอยู่จึงทําให้ไม่รู้ว่าตัวเองเผลอหลับใช่ไหมเจ้าคะก็แสดงว่าสติแล้วอ่อนแต่ยังไม่ถึงกระหมดพอจะรู้สึกตัวบ้างคําถามฝากถามค่ะ การบริจาคร่างกายนี้ดีหรือไม่ครับขอบความคิดเห็นพระอาจารย์ครับก็เป็นประโยชน์กับคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาต้องการอาวอัยวะแต่สําหรับเรานี้ถ้าอยากจะได้บุญได้ประโยชน์เราต้องทําตอนที่เรายังไม่ตายคือเช่นตายอันนี้เราบริจาคตายไปข้างนึ่งเพราะเราจะได้รู้ว่าเราได้บริจาคแล้วเราจะได้ความสุขจากการบริจาคตาย แต่ถ้าเบริจากร่างกายโดยหลังจากที่เราตายไปแล้วนี่เราจะไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยเราจะไม่ได้บุญเลยแต่คนที่รับอวัยวะต่างๆเขาก็ยังได้รับประโยชน์อยู่คำถามจากคุณเจวิลทำอย่างไรจึงจะตัดสินใจไม่ผิดพลาดในเรื่องต่างๆในชีวิตก็ต้องใช้ความคิดก่อนพูดก่อนกระทําว่าสิ่งที่เราจะพูดหรือกระทํานี้มันผิดหรือถูกถ้ารู้ว่าผิดก็อย่าไปพูดอย่าไปทํา เราริ่ว่ามันจะว่าถูกเราก็ค่อยทำไปต้องครควรพิจาราก่อนตอนที่จะทำอะไรลงไปอย่าทำตามอารมณ์ทำตามอารมณ์แล้วมกักจะต้องผิดพลาดในภายหลังคิดให้รอบคอบก่อนคิดถึงผลกระทบที่จะตามมากับผู้อื่นแล้วกับตัวเราเอง คำถามจากคุณโอคะ่ะหนูจะทําบางอย่างถวายวัดหนูอยากทําคนเดียวไม่ได้อยากให้ใครมาร่วมแชร์ด้วยเพราะหนูรู้สึกอยากจะได้สิ่งนี้แบบเต็มๆได้บุญเต็มๆทําคนเดียวหนูทําแบบนี้จะเห็นแก่ตัวไหมคะจะทำกับใครเราก็ได้ของเราเต็มๆเหมือแล้วเช่นเราทําบุญพันบาทคนอื่นจะมาร่วมอีกสองพันบุญพันบาทของเราก็ยังเต็มพันบาทอย่งนี้งั้นอย่าไปหวงบุญบางคนบางทีเขาไม่สะดวกที่จะทําทเอง เขาเเห็นว่าเราจะมาทำเขาขอร่วมด้วยเราควรจะอนุโมทนายินดีกับเขาถ้าเราจะได้บุญบุญอีกอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมาคืออนุโมทนาบุญช่วยทําให้เขาได้ทําบุญด้ว ย, ยไม่ต้องกังวลเวลาเราทําบุญแล้วคนอื่นเขาขอมามาร่วมด้วยนอกจากว่าเราหากเงินของเราออกไปเช่นเราตั้งใจจะทําบุญสองพันมีคนเขาจะมาร่วมห้าร้อยเราก็ได้หัห้าร้อยออกไปทำอย่างนี้เราลดเราลดบุญของเราลงไปแต่ถ้าเราทำสองพันอยู่เหมือนเดิมเขามาร่วมไปห้าร้อยก็ รวมเป็นสองพันห้าไปอย่างนี้กไ็ได้ได้ทั้งสองคนคนห้าร้อยก็ได้คนสองพันก็ได้เต็มที่เหมือนกันคำถามจากคุณประสิทธิ์ค่ะคุณแม่เสียมาห้าปีแล้วแต่ผมเก็บกระดูกของคุณแม่ไว้ที่บ้านเก็บไว้ได้ไหมครับพระอาจารย์หรือเอาไว้ที่วัดดีครับเออแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความพอใจเป็นเป็นแค่ธาตุนันเองเอ้าวคุณเออยากจะถามคำถามเนอะอ่า น้มันสกัรค่ะหลวงพ่อคืออ่ผู้เป็นลูกใช้พ่อแม่ถูกต้องไหมคะก็ใช้มันตั้งแต่เกิดแล้วหละไม่ไม่ไปถึงว่าคือเอะบอกว่าเนี่ยเป็นลูกน่ะห้ามไม่ควรใช้พ่อแม่นะมันไม่ถูกไม่ได้เวลาขอเงินก็ใช้พ่อแม่นั่นแหละแล้วเ้าก็บอกว่าเอาคิดมากเขาบอกว่าเอาคิดมาก คืออาจาย์ใช่พ่อแม่ก็ต้องมีโมหารหน่อยพูดว่าอาจารย์หนูอยากจะขอความช่วยเหลืออะไรงี้ให้เขาสงสารเราไม่ใช่ไปสั่งเขาว่าเฮ้ยท ำ, ทำนั่นนู่นทํำนี้ให้กูอย่างเงี้ไม่ถูกใช่ค่ะเขาใช้คําสั่งค่ ะ, ะแล้วแล้วแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วเอเ๋ก็แบบพูดสั่งสอนอย่างเงี้ยใช่ไหมค ะ, ะเขาบอกวิคิดมากเอ๋บอกมันไม่ใช่เรื่องคิดมากแต่มันเรื่องการถูกต้องกับไม่ถูกต้องเรื่องความ เราเหมาะสมะเราจะให้ใครช่วยเราเราต้องพูดวาจาที่ดีให้เขาเห็นใจเราอยากจะช่วยเราไม่ใช่ไปสั่งเขาเขาไม่ได้เป็นคนรับใช้เราเอี่อยาบางทีลูกๆเผลอไปเลยที่ว่าพ่อแม่เป็นคนรับใช้สามารถสั่งได้สามารถสั่งอะไรพ่อแม่บางคนก็เป็นอย่างนั้นลูกอยากจะได้อะไรก็ทําตามมันก็เลยติดเป็นนิสัยของเขามาเจ้าค่ะแล้วก็ข้อที่สอง คืออ่ช่วงที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศที่ว่าได้ยินเสียงรถแต่หนูมาทุกครั้งหนูไม่เคยได้ยินเสียงอะไรแต่ได้ยินแต่เสียงหลวงพอ่อย่างเดียวจริงๆอันนี้หมายถึงว่าจิตหนูจ่อตรงจุดมีสมาธิมีสติอยู่การฟังธรรมแต่พอนั่งสมาธิไม่มีเสียงะ<ม>แล้วต้องมีอะไรถูกผูกใจไว้แทนใช่ต้อง ต, ต้องฟังเทศแ ต, แต่มันจะทาให้เรานั่งได้ได้สงบมากกว่าการฟังธรรมอ๋อใช่ อ่าต้องใช้สติมากขึ้นถ้าหนูต้องได้ยินเสียงหลวงพ่อหนูก็จะแบบผูกไปเรื่อยแสดงว่าสติเรายังไม่มีกําลังมากพอที่จะพูกว่าอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจได้เราใส่เสียงเสียงมันมาอยู่กระทบจะหูเราตลอดเวลาอแต่พุทโธนี่เราต้องท่องขึ้นมาเองใช่ดูรวมเราต้องดูเองมันก็เลยยากขึ้นเาค่ะแต่ความยากมันก็จะทําให้จิตสงบได้มากขึ้นด้วยเจ้าค่ะก็ต้องฝึกทั้งสองอย่างถึงแบ่งเวลาเป็นสองช่วง ช่วงากก็ฟังเทศฟังธรรมช่ชวงที่สองก็มานั่งสมาธิกันเจ้าค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะเ okay. วลากล้จะหมดแล้วมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีเอาแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ